คู่มือมนุษย์เรื่องอำนาจของความยึดติดอุปาทานเราจะปลีกตัวถอนตัวออกมากเสียจากสิ่งทั้งหลายที่เป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาได้อย่างไร คำตอบก็คือจะต้องศึกษาว่าอะไรเป็นเหตุให้เราอยากจนเข้าไปยึดติดในสิ่งนั้นเมื่อรู้ต้นเหตุเราก็อาจจะตัดความยึดติดเสียได้กิเลสซึ่งเป็นความยึดถือในสิ่งทั้งปวงนั้นในพุทธศาสนาเรียกอุปาทานแปลว่าความยึดติดจำแนกเป็นสี่ประการด้วยกันคือหนึ่ง กามุปาทานคือความยึดมั่นโดยความเป็นกามหรือของรักใคร่ทั่วไปเห็นได้จากการที่คนเราตามธรรมดามีความติดพันในสิ่งที่น่ารักน่าพอใจไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสสัญชาตญาณของคนเราย่อมรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลิน หรืออร็จอร่อยในการมคุณห้านี้ตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาขยายออกไปเป็นหคือมีธันมารมเพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งธันมารมหมายถึงสิ่งที่ผุดขึ้นในใจจะเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตก็ได้เกี่ยวกับวัตถุภายนอกหรือภายในก็ได้เป็นเพียงความคิดฝันไปก็ได้ แต่ทำให้เกิดความอร็จอร่อยเพลิดเพลินทางจิตใจในขณะที่รู้สึกพอคนเราเกิดมาได้รู้รสของการอารมณ์ทั้งหนี้ก็ยึดติดในอารมณ์นั้นและยิ่งยึดติดยิ่งขึ้นเป็นลำดับลำดับอย่างแน่นแฟ้นเหลือวิสัยที่คนธรรมดาจะสอนได้ฉะนั้นจึงเป็นปัญหาสำคัญ ที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจให้ถูกต้องและประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องต่อสิ่งเหล่านั้นมิฉนั้นความยึดติดนี่แหละที่จะนำไปสู่ความพินาศฉิบหายขอให้เราพิจารณาดูความพินาศฉิบหายของคนทั่วๆไปตามปกติจะเห็นได้ว่ามีมูลมาจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่น่ารักอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวมาแล้ว ทุกอย่างที่มนุษย์ผุทุชนทํากันอยู่ไม่ว่าอะไรล้วนแต่มีมู ล, ลค่าจากการมรรมทั้งนั้นคนเราจะรักกันโกรธกันเกลียดกันอิจฉาริษยาฆ่าฟันกันหรือฆ่าตัวเองตายก็ตามก็จะต้องมีมูลมาจากการมารมการที่มนุษย์ต้องทำงานหรือขวนขวายหรือทำอะไรก็ตาม เราอาจจะสืบสาราวเรื่องไปแล้วจะพบว่าเขามีความอยากใครที่จะได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เขาอุตสาหเล่าเรียนประกอบอาชีพก็เพื่อให้ได้ผลมาจากอาชีพแล้วก็ไปสแสวงหาความสบายใจในทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมาบำรุงบำเรอตนแม้แต่เรื่องการทำบุญอธิษฐานได้ให้ไปสวรรค์ ก็มีมูลมาจากความหวังในทางการมร์มทั้งนั้นรวมความแล้วความยุ่งยากปั่นป่วนของโลกทั้งสิ้นมีมูลมาจากการมร์มนั่นเองการมรลมมีอำนาจร้ายกาจถึงเพียงนี้ก็เพราะอำนาจของกามุ ป, ปาทานคือความยึดมั่นอย่างเหนียวแน่นในตัวกามนี้เองพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้เป็นอุ ป, ปาทานขั้นต้น เป็นปัญหาเกี่ยวกับโลกโดยตรงโลกจะวินาศฉิบหายหรือจะเป็นอะไรก็ตามย่อมมีมูลมาจากกามุปาทานนิโดยเฉพาะเราควรจะพิจารณาตัวเราเองว่าเรามีความติดในกามอย่างไรเหนียวแน่นอย่างไรจะเหลือวิสัยที่เราจะละได้จริงๆหรือไม่ถ้าว่ากันทางคดีโลกแล้วการติดกาม กลับจะเป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงเพราะจะทำให้รักครอบครัวทั้งยังทำให้ขยันขันแข็งในการสแสวงหาทรัพย์และชื่อเสียงแต่ถ้ามองกันในแง่ของธรรมะจะรู้สึกว่าเป็นทางมาแห่งความทุกข์ทรมานอันเร้นลับเพราะฉะนั้นในทางธรรมะความติดกรมจึงเป็นสิ่งที่ต้องละกันให้หมดสิ้นในที่สุดจึงจะดับความทุกข์ทั้งปวงได้ 2. ทิฏฐปาทานคือความยึดติดในทิฏฐหรือความคิดเห็นที่ตนมีอยู่เดิมๆ เ, เป็นสิ่งที่พอมองเห็นและเข้าใจได้ไม่ยากเพราะคนเราเกิดมาในโลกเราก็จะได้รับการศึกษาอบรมให้เกิดมีความคิดเห็นชนิดที่มีไว้สําหรับยึดมั่นไม่ยอมให้ใครง่ายๆนี้เรียกว่าทิฏฐ ลักษณะที่ความยึดติดในความคิดเห็นของตนนี้เป็นไปตามธรรมชาติเขามิติเตียนกันนักและเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้แต่เป็นโทษภัยที่ร้ายกาจไม่น้อยไปกว่าความยึดติดในของรักของใครถ้ายึดติดในความเห็นเดิมๆของตนอย่างดื้อดึงแล้ว<ๆ>ก็อาจจะถึงกับจะต้องปรับปรุงทิฐิของเราให้ถูกให้ดีให้สูงยิ่งขึ้น คือจากความเห็นผิดให้กลายมาเป็นความเห็นที่ถูกต้องและถูกต้องยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดชนิดที่รู้อริยสัจดังที่ได้บรรยายมาแล้วทิฏฐิที่เป็นความดื้อถือรั้นนั้นมีมูลมาจากหลายทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วมักจะเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีหรือลัทธิศาสนาเป็นส่วนใหญ่ ทิฏฐิดื้อรั้นเป็นของส่วนตัวเองล้วนๆนั้นยังไม่เท่าไหร่เพราะไม่มากมายเหมือนกับที่มาจากขนบธรรมเนียมประเพณีที่คนเคยถือกันมาที่ค่อยๆอบรมสะสมกันมามากขึ้นมากขึ้นทิฏฐิต่างๆนี้เกิดขึ้นเพราะความไม่รู้คืออวิชชาเมื่อไม่รู้ก็มีความเข้าใจเอาเองตามความโง่เดิมๆของตนเช่น เห็นว่าสิ่งนี้น่ารักน่ายึดถือสิ่งนี้เที่ยงแท้ถาวรเป็นความสุขเป็นตัวตนแทนที่จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงภาพมายาที่ลวงตาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้เป็นต้นอะไรอะไรที่ตนเข้าใจมาแล้วแล้วก็ต้องไม่ยอมรับว่าผิดทั้งที่บางทีตัวเองก็เหมือนอยู่ว่าผิดแต่ก็ไม่ยอม ความเป็นผู้ดื้อดึงซึ่นหน้าอย่างนี้นับว่าเป็นอุปสรรคหรือเป็นศัตรูของคนเราอย่างยิ่งมันทำให้เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือไม่สามารถเปลี่ยนความเห็นผิดในลัทธิศาสนาหรือความเชื่ออื่นๆที่เคยหลงเชื่อมาแล้วแต่เดิมได้ปัญหานี้ย่อมจะเกิดแก่บุคคลที่ถือลัทธิศาสนาที่ยังต่าๆอยู่ ทั้งๆ ท, ที่ตนเห็นว่าต่ำหรือผิดก็เปลี่ยนไม่ได้เพราะเขามาักถือเสียว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายเคยถือกันมาถ้าไม่มีเหตุผลอะไรสำหรับจะแก้ตัวขึ้นมาจริงๆก็ว่าเป็นสิ่งที่เคยถือกันมานมนานแล้วเพราะเหตุนี้เองพุทธศาสนาจึงถือว่าทิฏฐินั้นเป็นกิเลสตัวร้ายกาดเป็นสิ่งที่ทำอันตรายที่สุดอย่างหนึ่ง ซึ่งจะต้องพยายามทำให้หมดไปอย่างยิ่งมิฉะนั้นตนก็จะไม่ได้อะไรที่ดีขึ้นเลย 3. ศ ส, สีลับพระตุปาทานคือความยึดติดในวัดปฏิบัติที่มุ่งหมายผิดทางหมายถึงความยึดมั่นถือมั่นในการประพืิกระทรรมที่ปรำปราสืบกันมาอย่างงมงายไร้เหตุผล หรือที่คนนิยมเรียกกันว่าขลังศักดิก์สิทธิ์คิดกันว่าเป็นสิ่งที่เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้และไม่ยอมเปลี่ยนแปลงคนเราทั่วไปก็มีสิ่งนี้กันไม่น้อยกว่าชนชาติอื่นมีการถือเครื่องรางของขลังหรือเคล็ดลับต่างๆเช่นตื่นนอนขึ้นมาจะต้องเสกน้ำล้างหน้าจะถ่ายอุจจระ ก็ต้องผินหน้าไปในทางทิศนั้นทิศนี้จะบริโภคอาหารหรือจะนอนก็จะต้องมีเคล็ดมีพิธีเชื่อผีสางเทวดาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นเป็นการปฏิบัติที่ไร้เหตุผลอย่างยิ่งไม่เคยคำนึงถึงเหตุผลคงมีแต่ความยึดมั่นถือมั่นตามตำราบ้างเคยทำมาแล้วไม่ยอมเปลี่ยนแปลงบ้าง แม้ที่อ้างตนว่าเป็นพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาก็ยังยึดมั่นถือมั่นกันไว้คนละอย่างสองอย่างหรือแม้ที่เรียกตัวเองว่าเป็นภิกษุสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็ยังมีการยึดถือในธรานองนี้ด้วยยิ่งเป็นลัทธิศาสนาที่ถือพระเป็นเจ้าถือเทวดาถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยแล้วจะมีการถือชนิดนั้นมากทีเดียว ซึ่งสำหรับชาวพุทธเราไม่น่าจะมีอย่างนั้นเลยข้อนี้เป็นเพราะเมื่อประพฤติรมข้อใดข้อหนึ่งแล้วไม่ทราบความมุ่งหมายเดิมไม่คำนึงถึงเหตุผลได้แต่เหมาสันนิฐานเอาเชื่อว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นคนเหล่านี้จึงสมทานศีลหรือประพฤติรมแต่เพียงตามแบบฉบับตามประเพณี ตามตัวอย่างที่ทำปรมประสาสืบกันมาเท่านั้นไม่ทราบเหตุผลของสิ่งนั้นๆเพราะประพฤติมาจนชินเกิดการยึดถือเหนียวแน่นชนิดที่แก้ไขยากอันนี้เรียกว่าความยึดติดในการปฏิบัติที่เคยกระทำสืบกันมาอย่างผิดๆหรืออย่างงมงายไร้เหตุผล แม้วิปัสสนากรรมฐานหรือสมถาากรรมฐานที่กำลังประพฤติปฏิบัติกันอยู่ในเวลานี้ก็ตามถ้าทำไปด้วยความไม่รู้เหตุผลต้นปลายไม่รู้ความมุ่งหมายอันแท้จริงก็จะต้องเป็นไปด้วยอำนาจของความยึดถือโดยความมุ่งหมายผิดเป็นความง่วเข่าชนิดหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยแม้ที่สุดจะรักษาศีลห้าศีลแปด ศีล ส, สิบหรือศีลเท่าใดก็ตามถ้ารักษาโดยคิดว่าจะเป็นผู้ขลังเป็นผู้วิเศษศักดิ์สิทธิ์จะมีอำนาจฤทธิเดชอะไรขึ้นมาแล้วก็จะกลายเป็นกิจวัตรที่มุ่งผิดทางทำไปโดยอำนาจศีลับพระตุปาทานนี้ทั้งนั้นไม่ต้องกล่าวถึงการปรับพืชแปลกๆของพวกภายนอกพุทธศาสนาก็ได้ ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องระมัดระวังให้มากๆการประพฤติป ฏ, ปฏิบัติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนานั้นจะต้องให้ถูกไปตั้งแต่เริ่มมีความคิดความเห็นความพอใจในผลของการทำลายกิเลสไปตั้งแต่ต้นทีเดียว การประพฤติปฏิบัตินั้นจึงจะไม่เป็นความงมงายที่นอกลู่นอกทางไร้เหตุผลและเสียเวลาปฏิบัติ 4. อัตวาทุ ป, ปาทานคือความยึดมั่นโดยความเป็นตัวเป็นตนความยึดมั่นว่าตัวว่าตนนี้เป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งเร้นรับอย่างยิ่ง สิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดย่อมจะรู้สึกว่ามันเป็นตัวตนของมันอยู่ดังนี้เสมอไปช่วยไม่ได้เพราะมันเป็นสัญชาตญาณขั้นต้นที่สุดของสิ่งที่มีชีวิตและเป็นมูลฐานของสัญชาตญาณอื่นๆเช่นสัญชาตญาณหาอาหารกินสัญชาตญาณต่อสู้อันตรายหลบหนีอันตรายสัญชาตญาณสืบพันธุ์และอื่นๆอีกมาก ซึ่งล้วนแต่อาศัยสัญชาตญาณแห่งความรู้สึกยึดถือว่าเป็นตัวตนทั้งนั้นมันต้องยึดมั่นว่ามีตัวเราเสียก่อนมันจึงจะไม่อยากตายมันจึงอยากจะหาอาหารมาเลี้ยงร่างกายอยากต่อสู้เอาตัวรอดหรืออยากจะสืบพัน์ของมันไว้ความยึดถือว่ามีตัวตนนี้มีประจำอยู่ในสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายถ้าไม่อย่างนั้นแล้ว มันจะมีชีวิตรอดไม่ได้แต่อันนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์ในกแกนแสวงหาอาหารในการต่อสู้ในการสืบพันธุ์หรือในการทำอะไรทุกๆอย่างฉะนั้นจึงกล่าวว่ามันเป็นรากฐานแห่งความทุกข์ทั้งปวงด้วยข้อนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เป็นใจความโดยสรุปสั้นที่สุดว่าสิ่งต่างๆ ที่คนมีอุ ป, ปาทานเข้าไปยึดถืออยู่นั่นแหละเป็นตัวความทุกข์หรือเป็นมู ล, ลเหตุแห่งความทุกข์หรือร่างกายและจิตใจที่คนเข้าไปยึดถือด้วยอุ ป, ปาทานอยู่นั้นแหละเป็นความทุกข์อุ ป, ปาทานข้อนี้เป็นต้นกำเนิดของชีวิตและเป็นต้นกำเนิดของความทุกข์ต่างๆคำที่ว่าชีวิตคือความทุกข์ ความทุกข์คือชีวิตท่านก็หมายถึงข้อนี้เองการที่คนเรารู้จักมูลกำเนิดของชีวิตและของความทุกข์ก็น่าจะถือว่าเป็นการรู้ในสิ่งที่ลึกซึ้งที่สุดและควรจะรู้ถึงที่สุดเพราะว่าเป็นทางที่ทำให้เราสามารถกำจัดความทุกข์ได้อย่างเด็ดขาดข้อนี้อยากจะอวดด้วยว่าเป็นความรู้เฉพาะของพุทธศาสนาเท่านั้น ไม่อาจพบได้ในศาสนาอื่นที่มีอยู่ในโลกนี้เลยเกี่ยวกับปุปาทานวิธีปฏิบัติให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นั้นจะต้องอาศัยการรู้จักตัวความยึดติดโดยเฉพาะอัตตวาทุปาทานให้มากเป็นพิเศษเพราะว่ามันเป็นมูลฐานของชีวิตเป็นสิ่งที่มีขึ้นเองเป็นเอง ประจำอยู่เสร็จในตัวไม่ต้องมีใครมาสอนอะไรกันอีกเด็กๆหรือลูกสัตว์ตัวเล็กๆพอเกิดมาจากท้องแม่ก็มีสัญชาตญาณอันนี้มาด้วยเสร็จเราจะเห็นได้ว่าลูกสัตว์ตัวเล็กๆเช่นลูกแมวรู้จักขู่ฟู่ๆเมื่อเราเข้าไปใกล้มันนั่นก็เพราะมันมีอะไรที่เป็นตัวเป็นตนประจำอยู่ในใจฉะนั้นจึงช่วยไม่ได้ ที่จะไม่ให้มีอุปาทานในข้อนี้ที่มันแสดงอิทธิพลออกมาทางที่ทำได้อย่างเดียวก็คือควบคุมมันไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จนกว่าจะเจริญด้วยวิชาความรู้ในทางธรรมะอย่างที่เรียกได้ว่าตัดให้ขาดลงไปด้วยวิธีที่พุทธศาสนาสอนไว้จนเอาชนะสัญชาติญาณข้อนี้ได้ ถ้ายังเป็นคนธรรมดาคือเป็นผู้ทุชนอยู่แล้วย่อมไม่มีทางที่จะเอาชนะสัญชาตญาณข้อนี้ได้เลยมีแต่พระอริยะเจ้าอันดับสุดท้ายคือพระอรหันต์เท่านั้นที่จะเอาชนะสัญชาตญาณข้อนี้ได้เราต้องเข้าใจว่าไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเลยเพราะเป็นปัญหาสำคัญของสิ่งมีชีวิตทั่วๆไปทั้งสิ้น ถ้าเราต้องการจะเป็นพุทธบริษัทเต็มตัวกล่าวคือเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาโดยครบถ้วนก็จำต้องศึกษาเรื่องนี้และเอาชนะความเข้าใจผิดในข้อนี้ให้ได้มากที่สุดเราจึงจะมีความทุกข์ลดน้อยลงตามลำดับการที่รู้ความจริงของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราเป็นประจำวันนับว่า เป็นมหากุศลหรือความฉลาดที่สุดอย่างหนึ่งจินใคร่ขอรบเร้าท่านทั้งหลายให้สนใจในเรื่องอุปาทานทั้งสี่อันเป็นเรื่องแสดงให้เห็นว่าทั้งทั้งที่สิ่งทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่น่ายึดถือไม่น่าเอาไม่น่าเป็นอยู่ตามธรรมชาติเราทั้งหลายก็ยังตกเป็นบ่าวเป็นทาตของมันอย่างเหนียวแน่นเพราะอานาจของอุปทานทั้งสี่นี้เอง ฉะนั้นเราจะต้องศึกษาให้รู้จักสิ่งที่เป็นอันตรายเป็นพิษร้ายนี้ให้มากที่สุดสิ่งที่ไม่ได้แสดงตัวเป็นพิษเป็นอันตรายอย่างการลุบโ พ, พลงของไฟหรือรู้จักได้ง่ายๆอย่างอาวุธหรือยาพิษแต่มันเร้นลับแนบเนียนอยู่ในลักษณะเป็นของหวาน อ, ร, อร่อยหอมหวานยวนใจเป็นของสวยงามเป็นของไพเราะทั้งนั้น เมื่อมันมาในลักษณะเช่นนี้ย่อมจะเป็นการยากที่เราจะรู้สึกตัวหรือควบคุมมันได้จึงต้องอาศัยสติปัญญาความรู้ของพระพุทธเจ้าและจะต้องศึกษาปฏิบัติควบคุมความยึดมั่นที่ผิดผิดเหล่านี้ให้อยู่ในอำนาจของปัญญาเราก็จะสามารถดำรงชีวิตนี้ไม่ให้มีความทุกข์ทรมานหรือทุกข์แต่น้อยที่สุด จนสามารถปฏิบัติหน้าที่การงานหรือมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ในลักษณะที่เยือกเย็นมีความสะอาดสว่างสงบเย็นอยู่ได้ขอสรุปความว่าอุ ป, ปาทานทั้งสีนี้เป็นปัญหาอันเดียวที่พุทธบริษัทหรือผู้ประสงค yeah. ์จะรู้จักตัวพุทธศาสนาจะต้องเข้าใจให้ได้ก็เพราะว่า วัตถุประสงค์ของการรักษาพรหมจรรย์ในพุทธศาสนานี้ก็เพื่อทำจิตให้หลุดพ้นจากความยึดมั่นที่ผิดผิดนี้ท่านทั้งหลายจะได้พบคำกล่าวเช่นนี้ในท้ายบาลีทุกๆุกสูตรที่กล่าวถึงการบรรลุธรรมของพระอรหันต์ซึ่งในที่นั้นจะมีคำว่าจิตหลุดพ้นจากอุปาทานแล้วก็จบกัน เพราะว่าเมื่อจิตหลุดพ้นจากความยึดมั่นแล้วก็ไม่มีอะไรจะผูกพันคล้องจิตนั้นให้ตกเป็นธาตุของโลกหรือเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเรื่องจึงจบสิ้นกันหรือกลายเป็นโลกุตระคือพ้นโลกเพราะฉะนั้นการหลุดพ้นจากความยึดมั่นที่ผิดผิดจึงเป็นใจความที่สำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนา คำกลอนสอนใจตัวกูตัวสูอันความจริงตัวกูไม่ได้มีแต่พอเผลอมันเป็นผีโผลมาได้พอหายเผลอตัวกูก็หายไปหมดตัวกูเสียได้เป็นเรื่องดีสหายเอย๋ยจงถอนซึ่งตัวกู และถอนทั้งตัวสูอย่างเต็มที่มีกันแต่ปัญญาและปราณีหน้าที่ใครทำให้ดีเท่านี้เอ่ย